hmm ทั้งทอีอย่าคิดแต่ว่าจะมาเอาบุญเพื่อจะได้ไปแลกเอ า, อาความมั่งมีสีสุขความร่ำรวยหรือว่าได้บุญแล้วก็อาจจะได้มีโชคมีลาบนะอันนี้หลายคนก็มาวัดก็เพื่อเหตุนี้อันนี้มันยัง หวังประโยชน์น้อยไปและบางทีมันก็เป็นความหวังที่ไม่รู้จะเป็นจริงหรือเปล่าถูกหวยรวยเบอร์หรือว่ามีโชคมีลาภถ้าจะมาวัดนี้ก็ควรจะมาเพื่อหาทางออกจากทุกข์ความมั่งมีสีสุขความร่ำรวย ช่วยอย่างมากก็ทำให้ความทุกข์กายลดลงแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าจะทำให้ความทุกข์ใจลดลงด้วยอาจจะลดลงชั่วคราวประเดี๋ยวประดาวเสร็จแล้วก็ทุก์ใหม่อาจจะทุกเพราะทรัพสมบัติที่ได้มาก็ได้นะยังไม่ต้องพูดถึงความทุกข์เดิมๆที่ มีมาก่อ น, นหรือว่าความทุกข์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นตามมาเพราะความพัดพรากสูญเสียเพราะความเจ็บความป่วยเนี่ยธรรมะเนี่ยนะให้อะไรกับเรานะได้มากกว่าประโยชน์หรือความสุขทางโลกความสุขทางจิตใจเนี่ยเป็นสิ่งที่มันมีค่ามากกว่า แล้วความสุขทางใจเนี่ยที่สำคัญคือ ค, อความสงบเป็นความสงบที่ไม่ต้องพึ่งพิงอิงอาศัยสิ่งแวดล้อมมากเท่าไหร่ก็ได้หมายความว่าข้างนอกเสียงมาเจอก็ทึกขึโครมยังไงใจก็สงบได้แดดจะร้อนอากาศจะอา้าวแต่ว่าใจก็ สงบเย็นได้ความสงบเย็นเนี่ยนะเป็นความสุขอย่างยิ่งยิ่งถ้าเป็นความสงบเย็นเพราะไรกิเลสหมดอวิชาเนี่ยก็ยิ่งเป็นสุขอย่างไม่มีอะไรจะมาเทียบเคียงได้ว่าเป็นบรมสุขแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยนะก็ให้รู้จักความ สงบเย็นเพราะไม่มีอารมณ์ต่างๆมาครอบงำหรือว่ามารบ ก, กวนรังควานเช่นความโกรธความเศร้าความท้อแท้ความเบื่อหน่ายความผิดหวังซึ่งอารมณ์พวกนี้ที่จริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่อยู่ๆมันจะเกิดขึ้นนะมันเริ่มจากการคิดก่อนหรือการนึก เราจะโกรธได้เนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะโกรธขึ้นมาได้เลยเนี่ยจะให้โยมโกรธตอนนี้ก็โกรธไม่ได้จะให้เศร้าตอนนี้มันก็เศร้าไม่ได้นะเป็นแต่ว่าจะนึกไปถึงใครบางคนที่ทําให้เราโกรธนึกถึงใครบางคนที่เขาพูดล้ายเราใส่ร้ายเราหรือนึกถึงคนรักนะที่สูญเสียพัดพรากไปพอนึกเนี่ยมันจะ โกรธได้หรือนึกแล้วมันถึงจะเศร้าได้หรือเว้นแต่ว่าเออมีคนมาพูดร้ายทำร้ายนะกับเราในขณะนี้เนี่ยอันนี้ก็โกรธได้เหมือนกันแต่ในเวลาที่เราเรียกว่าอยู่สบายเช่นอยู่ตรงเนี้ยขนาดเนี้ยหรืออยู่ที่บ้านก็ได้ทั้ั้งที่มันก็ราบรื่นดี แต่พอคิดนะถึงเรื่องราวในอดีตที่เจ็บปวดนะมันก็เศร้าเสียใจอาไลาอาวอนหรือไม่เชะนั้นนะก็โกรธถ้าไม่ใช่นึกถึงเรื่องที่ผ่านไปแล้วก็นึกถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแต่ก็วาดภาพเป็นตุเป็นตะว่ามันจะต้องแย่อย่างนั้นลำบากอย่างนี้พอนึกเข้าก็เกิดความกลัว เกิดความวิตกกังวลอันนี้เป็นปัญหาของคนในยุคนี้มากนะมีความวิตกกังวลสูงเพราะว่าชอบนึกไปข้างหน้าแล้วก็วาดภาพว่ามันจะย่อย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้เช่นรถติดเนี่ยนะรถติดที่จริงมันก็ไม่มีอะไรนะรถติดเนี่ยมันแค่ทำให้เสียเวลา แต่ว่าพอปล่อยใจรอยให้ฟุง้งมันไม่ใช่เสียเวลาแนตะมันเสียอารมณ์หรือบางทีเสียสติพอนึกปรุงแต่งไปว่าถ้ารถติดนานกว่านี้เดี๋ยวจะไปสง่งลูกไม่ทันเดี๋วจะตกเครื่องบินเดี๋ยวจะผิดนัดสำคัญพอนึกไปแล้วก็คิดต่อ ว, ว่าจะเกิดผลเสียตามมายอย่างไงบ้างถ้าตกเครื่องบินถ้าผิดนัดนะ ส่งลูกไม่ทันหรือว่าไปประชุมสายนะเกิดความเสียหายตามมาอย่างนั้นอย่างนี้พอคิดไปใจก็เสียเลยเครียดถ้านัาง ท, ที่มันยังไม่เกิดขึ้นเลยนะแต่ว่าทุกเรียบร้อยแล้วอันนี้เรียกว่าไม่ใช่แค่เสียเวลานะแต่ว่าเสียอารมณ์เสียสติด้วยนะอารมณ์ทั้งหลายที่มันทำให้จิตใจเราไม่เป็นสุขเนี่ยนะ มันก็มาจากความคิดแล้วก็ร้อยท่องร้อยมันก็เกิดจากความคิดที่เผลอนะเกิดจากความหลงหรือว่าลืมตัวอย่างนั่งตรงนี้นะใจมันก็ลอยไปแล้วนะคิดโน่นคิดนี่เสร็จแล้วก็เป็นไงทุกขนะ์บางทีก็นึกถึงบ้านนะก็เป็นความทุกข์อีกแบบหนึง่ง ความคิดถึงบ้านนี่เขาเรียกว่าเป็นความเจ็บป่วยอ ย, อย่างหนึ่งนะฝรัง่งเรียกว่าโฮมซิกซิกแปลว่าป่วยไอ้สิ่งเหล่านี้แหละที่ ม, มาทําให้ทุกข์ใจมันไม่ใช่เพราะสิ่งภายนอกนะไม่ใช่เพราะดินฟ้าอากาศไม่ใช่เพราะผู้คนที่อยู่แวดล้อมเราอันนั้นเป็นส่วนประกอบรองๆองไอ้ส่วนปัจจัยสําคัญก็คือความคิด ที่ปรุงแต่งหรือถูกปรุงแต่งให้เกิดความทุกข์เกิดอารมณ์อกุศลตามมาความทุกข์ใจเนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นความป่วยชนิดหนึ่งนะความป่วยมีสองอย่างป่วยกายกับป่วยใจป่วยกายอาจจะเกิดจากเชื้อโรคนะอาจจะเกิดจากสารพิษนะส่วนป่วยใจก็เกิดจาก อารมณ์ที่เป็นพิษนะอารมณ์อกุศลหรือความคิดที่มันเป็นพิษต่อจิตใจของเราคนนี้จะทำยังไงให้ความเจ็บป่วยทางใจมันหายไปหลายคนก็นึกถึงการพยายามกำจัดไม่ให้มีความคิดเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะถ้าคิดแล้วมันทุกข์ มันมารบ ก, กวนจิตใจเหลือเกินเพราะฉะนั้นก็เลยมาวัดนะเพื่อจะมาทําสมาธิภาวนาทําสมาธิภาวนาก็ตั้งใจคาดหวังว่าไอความคิดเหล่านี้เนี่ยนะมันจะไม่มารบ ก, กวนจิตใจอยากจะรู้วิธีว่าจะจัดการกําจัดมันอย่างไร จิตใจจะได้สงบสุขนะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ทุกขนะ์ความตั้งใจแบบนี้มีประโยชน์นะแต่ว่ามันก็มีข้อเสียเหมือนกันเพราะว่าพอเรามาปฏิบัติรรมาเจริญกรรมาฐานเราก็ตั้งหน้าตั้งตาจะกดข่มความคิด ที่มันเผยคิดมันโผล่บาทีแล้วก็ตบมันนะกดข่มมันจัดการมันแต่ถ้าเกิดว่ามันยังคิดไม่เลิกคิดไม่หยุดนะก็จะเกิดความหงุดหงิดบางคนปฏิบัติไปแค่ห้านาทีความคิดไม่ได้หยุดไม่ได้ย่อนเลยมันโผล่มาโผล่มาโผล่มา พยายามกดพยายามข่มเท่าไหร่มันก็ไม่หยุดไม่เลิกสักทีก็เลยเกิดความหงุดหงิดแล้วก็ตามมาด้วยความท้อแท้เพราะทำเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จสักทีมีพระบางรูปนี่หงุดหงิดจนลืมตัวโมโหจนลืมตัว เอาลองเท้าแตะฟาดหัวทำไมมันคิดมากอย่างนี้ทำไมมันคิดมากอย่างนี้ไอ้คิดมากนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วของจิตมันไม่ใช่ปัญหาที่เป็นปัญหาคือว่าใจที่ไม่ชอบใจที่ไม่ชอบสิ่งนี้ใจที่ไม่อยากให้มันคิดใจที่คาดหวังจะให้มันสงบไม่คิดเนี่ย ไอ้ตรงนี้แหละที่ทำให้เกิดความทุกข์นะจริงๆไอ้ความคิดเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่ว่ามันจะมารบกวนจิตใจเราได้เสมอไปน ะ, ะถ้าเรามีสติมีสติรู้ทันมันก็ทำอะไรจิตใจไม่ได้เช่นมีความคิดร้ายเกิดขึ้น มีความวิตกกังวลตามมาถ้าเรารู้ทันเห็นมันนะมันทำอะไรใจเราไม่ได้มันเหมือนกับไฟที่วูบขึ้นมาแล้วก็หายไปเพราะฉะนั้นวิธีหนึ่งนะที่จะช่วยทำให้ความป่วยใจสงบได้เนี่ยก็คือการเพิ่มสติเพิ่มความรู้สึกตัวให้มากขึ้น วิธีหนึ่งเป็นการพยายามกำจัดหรือลดความคิดฟุ้งซ่านให้มันน้อยลงอีกวิธีหนึ่งไม่ไปทำอะไรกับความคิดนั้นแต่ไปเพิ่มสติเพิ่มความรู้สึกตัวเพราะว่าสติและความรู้สึกตัวนี่มันจะไปควบคุมหรือว่าทำให้ไอ้ความคิดและอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยมันรบกวนจิตใจเราไม่ได้ อันนี้ก็เปลี่ยนมาเก่กับการรักษาความเจ็บป่วยของร่างกายนะความเจ็บป่วยบางครั้งก็เกิดจากเชื้อโรคแบคทีเรียไวรัสหรือว่าเกิดจากสารพิษบางทีก็เกิดจากเนื้อร้ายเห็นเนื้อร้ายที่เป็นมะเร็งวิธีที่คนเขานึกถึงหรือใช้กันบ่อยก็คือกำจัดเชื้อโรคเช่นกินยาปฏิชีวนะนะหรือว่า ใช้แสงนะฉีดเคมีบำบัดหรือว่าผ่าเอาเนื้อร้ายออกวิธีนี้มันก็ได้ผลนะได้ได้ผลเร็วแต่บางทีก็มีปัญหาคือว่าเชื้อโรคมันดื้อยาอยู่นี้เนี่ยเชื้อโรคหลายชนิดนะแบคทีเรียเนี่ยซึ่งมีอยู่มากในโรงพยาบาลเนี่ยมันดื้อยามาก ยาปฏิชีวนะที่แรงที่สุดเท่าที่มนุษย์ผลิตได้ตอนนี้ไม่สามารถจะฆ่าหรือกำจัดไอพวกแบคที ria หรือเชื้อบางชนิดได้เพราะนั้นคนตายเพราะติดเชื้อในกระแสะเลือดเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะนะผ่าตาดัดไม่ตายเพราะโรคหัวใจแต่ดันตายเพราะติดเชื้อในกระแสะเลือดรู้ว่าติดเชื้อนะแต่ว่ายาเอาไม่อยู่ อีกวิธีหนึ่งที่เขาใช้ในการบรรเทาความเจ็บปวดหรือทำให้สุขภาพกายมันดีขึ้นกลับมาเป็นปกติก็คือการเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายแทนที่จะไปกำจัดเชื้อโรค ก, ก็ไปเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายภูมิคุ้มกันในร่างกายมันก็จะเข้าไปเข้าไปคุมเชื้อโรค ไม่ถึงกับไปกำจัดให้หมดไปนะแต่ว่าไปคุมไม่ให้มันลุกลามขยายตัวเชื้อโรยังมีอยู่ในในร่างกายแต่ว่าไม่เจ็บไม่ป่วยมันทำอะไรจิตทาอะไรร่างกายเราไม่ได้เพราะูมิคุ้มกันเนี่ยเอาอยู่นะอย่างขนาดนี้หลายคนที่ไม่เจ็บไม่ป่วยเนี่ยนะในตัวนี้ก็มีเชื้อโรคหลายชนิดนะแม้แต่อาจจะมีมาลาเรียอาจจะมีปอดบวม เชื้อปอดบวมอยู่แต่ว่าหรือเชื่อวันโรคแต่ว่าเราไม่ป่วยเพราะอะไรภูมิคุ้มกันร่างกายนี่มันคุมเอาไว้นะวิธีนี้เนี่ยได้ผลยั่งยืนนะได้ผลยั่งยืนบางทีก็สร้างภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดยาฉีดวัคซีนเข้าไปเพื่อกระตุน้นภูมิคุ้มกันในร่างกายบางทีก็ใช้วิธีการ ออกกำลังกายกินอาหารที่ถูกต้องพอเหมาะพักผ่อนพอเพียงมันก็ทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายดีขึ้นรวมทั้งการทำสมาธิภาวนาด้วยอันนี้พอภูมิคุ้มกันร่างกายดีขึ้นเชื้อโรคเนี่ยมันก็ไม่ถึงกับทำให้เจ็บป่วยบางทีมีเซลล์มะเร็งมีเนื้อมีเซลล์มะเร็งมันอยู่ในร่างกายแต่ว่ามันก็ไม่ลุกลาม จนกลายเป็นโรคมะเร็งก็เพราะว่าภูมิการร่างกายเราแข็งแรงอันนี้เป็นวิธีการรักษาสุขภาพหรือว่าฟื้นฟูให้สุขภาพดีนะโดยที่ไม่ต้องไปกำจัดเชื้อโรคไอการที่เราจะมีความสุขใจสงบใจก็ เ, เหมือนกันนะอย่าไปคิดแต่วิธีการกำจัดความคิดอารมณ์ แบบอย่างตะพื้ตะพื่อยังอย่างเดียวการปฏิบัติแบบหลวิพ่อเทียเนี่ยไม่ได้เน้นที่การไปกําจัดหรือว่าลดความคิดให้มันน้อยลงจนไม่เหลือแต่ว่าไปเป็นวิธีการเพิ่มสติความรู้สึกตัวแล้วสติความรู้สึกตัวนี่แหละมันก็จะไปจัดการกับไอ้ความคิดทุ้งซ่านและอารมณ์อกุศลเอง วิธีนี้มันสบายกว่าเยอะนะมันเหมือนกับมีน้ำเน่าอยู่ในท้องร่องไนงะน้ำเน่ามันมันส่งกลิ่นเหม็นเราจะทำยังไงเนี่ยนะวิธีนี้คือว่าไปสูบหรือว่าถ้าไม่มีเครื่องสูบก็ตักวิตน้าวิตน้ำเน่าออกออกไปจากท้องร่องอย่างนี้ทำเป็นวันนะเหนื่อย อีกวิธีหนึ่งมันดีกว่านะคือปล่อยน้าดีเข้ามาทดน้าดีเข้ามาพอน้าดีเข้ามานะ้าดีมันก็ไล่น้าเสียเองเราไม่ต้องกาจัดน้าเสียนะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของน้าดีอันนี้ก็เหมือนกับเราสร้างผงผงกันในร่างกายให้เข้มแข็งแล้วผงกุ้งกันร่างกายมันก็ไปจัดการกับเชื้อโรค ไม่ถึงกับไปกาจัดให้หมดนะแต่ว่าคุมไม่ให้มันอาลววาก่อปัญหากับเราปล่อยน้ำดีนะไล่น้ำเสียหรือเมือ่อกเราไม่ชอบความมืดนะจะกาจัดความมืดยังไงมันก็ทำยากนะแต่เพียงแค่เราจุดไฟจุดเทียนให้มากขึ้นเราเพียงแต่เพิ่มความสว่างอาจจะเปิดหน้าต่างก็ได้ แล้วความสว่างมันก็จะไปไล่ความมืดเองเราไม่ต้องไปทำลายความมืดและเพียงแต่เพิ่มความสว่างให้มากขึ้นความมืดในจิตใจก็เหมือนกันนะเราจัดการมันก็โดยการเพิ่มความสว่างในจิตใจก็คือเพิ่มสติและความรู้สึกตัวแล้วสติความรู้สึกตัวก็เข้าไปจัดการกับความคิดฟุ้งซ่านและอารมณ์ เวลามีความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยนะหลายคนทุกข์นะเพราะว่าความโกรธมันเผาใจให้รุ่มร้อนหลายคนก็นึกถึงว่าอจะกำจัดความโกรธยังไงทำไงจะกำจัดความโกรธให้หมดไปได้เคยมีคนถามหลวงปู่ดูณัตุโลนะลูกสิษยลุกปู่มั่นรุนเล็กแรกเลยนะเขาถามท่านว่าทำไงจะตัดความโกรธให้ขาดได้ ท่านตอบว่าไม่มีใครตัดให้ขาดได้หรอกมีแต่รู้ทันมันรู้ทันมันก็หายไปเองให้เราสังเกตมกเมื่อเลามีความโกรธเนี่ยเรากดข่มไม่ได้ชั่วคราวเรากดมันไม่ให้คิดได้ชั่วคราวเสร็จแล้วมันก็โผล่ใหม่คิดใหม่บางทีกดเอาไว้ไม่ให้มันมารบกวนรัลลงควานแต่มันไม่ได้ไปไหนมันมันซ่อนอยู่มันสะสม เสรแล้วพอมีใครมากับพูดกระทบเพียงแค่นิดหน่อยนี่มันก็ปี๊ดเลยนะอาการปี๊ดเนี่ยมันก็จากความทุกข์ที่มาสะสมอัดอั้นมานานและที่อัดอั้นพอไปกดขม่มมันเอาไว้พอถึงจุดหนึ่งกดไม่ไหวนะมีใครมาพูดกระทบนิดเดียวระเบิดเลยนะหรืออย่างน้อยก็ปี๊ดนะีใครที่ชอบที่มีอาการปี๊ดบ่อยนี่นะให้รู้ว่าเป็นพ่อไปชอบ พอไปกดข่มมันเอาไว้ซึ่งก็มีประโยชน์นะมันมีประโยชน์ชั่วคราวมันทําให้เราถ้าเรากดข่มได้เราก็ไม่เผลอดา่าไม่เผลอทําร้ายเข้าของในตอนนั้นแต่ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นหรือจะทําอย่างนั้นในวันข้างหน้าก็ได้ถ้าเกิดว่าสะสมอัดอั้นมานานแต่ถ้าเรานะีแทนที่จะไปกดมันเราใช้วิธีรู้ทันมันแทนที่จะไปลด ความโกรธให้น้อยลงแต่เราไปเพิ่มสติเพิ่มความรู้ทันเพิ่มความรู้สึกตัวให้มากขึ้ น, น, นเอาอยู่นะอันนี้ดีกว่าใ น, นเวลาเราปฏิบัติเนี่ยนะมันมีความคิดฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเนี่ยอย่าไปพยายามกดข่มมันบางคนก็พยายามหาทางกําจัดหรือว่าลดความคิดให้น้อยลงด้วยการปิดตาเปิดตานี่มันฟุ้งมากเนี่ยปิดตายกมือแล้วมันฟุ้งก็นั่ง เฉยๆนิ่งๆบางทีเขาไปเพ่งที่ลมหายใจมันนิ่งที่เขาไปเพ่งที่ท้องวิธีนี้ก็มันก็ทําให้ความคิดฟุ้งซ่านเนี่ยมันมันลดน้อยลงนะแต่ว่าพอเผลอนะมันก็พลังพลูมาไอพวกนี้เนี่ยมันมันฉลาดนะมันจะเล่นงานเราตอนเราเผลอตอนเราสติอ่อนแต่บางคนเนี่ย พอไปกดไปเพ่งนี่เกิดความเครียดตามมาปวดหัวแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกเพราะเวลาไปกดข่มความคิดเนี่ยเราก็จะกลั้นลมหายใจตามไปด้วยไม่รู้ตัวนะว่ากลั้นลมหายใจตอนที่ไปกดไปห้ามความคิดเสร็จแล้วเป็นไงเพราะกลั้นไปนานๆนะมันก็ทําท่าจะหน้ามืดหรือว่า ปวดหัวแน่นหน้าอกเนะนี่เนี่พอไปพยายามกดข่มความคิดด้วยการไปเพ่งมันบางคนไม่มีอาการนะก็สงบดีนะแต่ว่าพอออกไปเจอสิ่งภายนอกเจอสิ่งเราเหมือนเดิมเจอเสียงเจอความอึดอัดทึกเจอคนพูดไม่น่ารักอ่านเจอข้อความในโซเชียลมีเดียซึ่งมารดมนะ วันหนึ่งไม่รู้กี่ร้อยกี่พันอย่างสิ่งที่กระทบสิ่งที่มาปลุกเราเนี่ยหรือมากระตุน้นทางตาทางหูทางจมูกนะทางลิ้นทางกายนี่สมัยนี้มันเยอะมากนะแทบจะทุกวินาทีหรือทุกห้าวินาทีพอมากระทบกับตัวเราทางตาหูจมูกลิ้นกายมันก็ปรุงความคิดขึ้นมา ตอนนี้แหละเอาไม่อยู่แล้วหลายคนเวลาปฏิบัติก็สงบดีนะเพราะว่าพยายามกดคมุมความกำจัดให้ความคิดมันน้อยลงแต่พ อ, อ, อกไปข้างนอกความคิดมันเรียกว่าฟัง่งพรั่งพลวออกมาเยอะแยะเลยก็เลยหงุดหงิดก็เลยเครียดแล้วก็โกรธง่ายมีหลายคนมาปรึกษาตามาว่าเนี่ย ก็เข้าวัดปฏิบัติธรรมบ่อยนะแต่ทำไมยังโกรธอยู่ทำไมยังโกรธง่ายนะอันนี้เพราะว่าเขาเวราเข้ามาปฏิบัติเขาเน้นแต่เรื่องกา ร, บ, าร บ, บังคับควบคุมควบคุมจิตให้มันสงบควบคุมความคิดให้มันน้อยน้อยแต่เขาไม่คิดจะเพิ่มตัวสติและความรู้สึกตัวให้มากขึ้น งันพอไปข้างนอกกลับไปบ้านกลับไปทำงานอยู่ในสภาพเดินเจอสิ่งเร้ก็ฟุ้งใหม่แล้วพอฟุ้งไปมันก็เกิดอารมณ์นะเครียดวิตกกังวลโกรธกลับมาเหมือนเดิมแต่ถ้าเรามีสติมีความสึกตัวเพิ่มกำลังให้กับสติความสึกตัว นะตั้งแต่มาปฏิบัติที่วัดพอกลับไปก็ยังคงทำอย่างนั้นอยู่ยังคงรักษาสติความรู้สึกตัวเอาไว้ได้มีสิ่งรอบภายนอกอยังไงมากระทบนะความคิดมันเกิดขึ้นมากเพียงใดสติความรู้สึกตัวก็เอาอยู่ใจก็สงบได้สงบได้เพราะไม่ใช่มีไม่ใช่เพราะไม่มีสิ่งเร่าไม่มีสิ่งกระทบสิ่งกระทบก็ยังเหมือนเดิม แต่สงบได้สงบได้ไม่ใช่เพราะว่ามันไม่มีความคิดเกิดขึ้นมันมีไม่ใช่เพราะไม่มีอารมณ์เกิดขึ้นมันเกิดแต่ว่าสติความรู้สึกตัวนี่มันจัดการนันได้พอรู้ทันว่าเผลอคิดไปสงบเลยพอรู้ทันว่ากำลังโกรธอยู่ความโกรธมันก็ค่อยๆละลายหายไป หรือถึงจะยังไม่หายไปทีเดียวแต่ว่ามันก็ทำอะไรไม่ได้มันก็แค่เกิดขึ้นในใจแต่ว่าไม่รบกวนจิตใจต่อไปครูบาอาจารย์เนี่ยนะท่านจะไม่ได้สอนให้เรานะไปกำจัดกิเลสอย่างเดียวหรือว่าไม่ได้สอนให้เราคิดแต่จะหนีกิเลสอย่างเดียว แต่ท่านจะสอนให้เราอยู่กับมันอย่างไม่ทุกได้อย่างรู้ว่าชาติท่านเคยสอนลูกศิษย์ว่าเนี่ยภาวนาเนี่ยไม่ใช่เพื่อให้เราหนีกิเลสและไม่ใช่ให้กิเลสหนีเราแต่จงอยู่กับกิเลสอย่างมีสตินะเนี่ยท่านพูดนะจงอยู่กับกิเลสอย่างมีสติเหมือนน้ำกับใบบัว น้ำกับใบบัวอยู่ด้วยกันนะแต่ว่าน้ำซึมใบบัวไม่ได้นี่เราอย่าคิดแต่สู้กิเลสหรือหนีกิเลสอย่างเดียวนะมันก็มีประโยชน์อยู่นะไม่ว่าจะสู้กิเลสหนีกิเลสสู้กับความโกรธหรือว่าหนีความโกรธแต่ว่าให้ฝึกให้ฝึกวิธีการที่จะอยู่กับอารมณ์เหล่านี้เหมือนน้ำกับใบบัวหรือเหมือนน้ากับน้ามันก็ได้ ก็คือว่ามันมีอยู่แต่มันทำอะไรไม่ได้ความคิดฟุ้งซ่านเกิดขึ้นแต่ว่าเราเห็นมันวิธีที่ทำให้วิธีที่ช่วยให้อยู่กับมันได้อย่างสงบก็บคือเห็นมันเห็นมันด้วยหเห็นมันด้วยส ต, ติถ้าเราอยู่กับกิเลส ด, ด้วยสตินี่คือว่าเห็นกิเลสน้ำมันโผล่ขึ้นมาแต่ว่ามันทาอะไรจิตใจเราไม่ได้ มันสั่งให้เราดา่าไม่ได้มันสั่งให้เร า, าโลภ ก, ก็ไม่ได้อันนี้เป็นศิลปะนะการปฏิบัติธรรมนะดูกับกิเลสยังมีสติและต่อไปเนี่ยนะก็ใช้กิเลสเป็นครูนะสอนสอนทำให้เราไม่ใช่แค่สอนให้มีขันติ ไม่ใช่สอนให้มีความอดทนหรือว่าเป็นเครื่องมือฝึกสติเท่านั้นแต่ยังสอนทาให้เราเกิดปัญญาได้ด้วยเพราะกิเลส ก, ก็เป็นธรรมชนิดหนึ่งและมันก็สอนไตลักษณ์สอนอนิจจังทุกขอังอนัตตาได้เหมือนกับธรรมะที่เป็นกุศลธรรมนะเมตตากรุณาความโกรธเนี่ยเหมือนกันอย่างหนึ่งนะก็คือมันสอนธรรม อันนีจังทุกขังนัตายให้กับเราได้เพฉนั้นถ้าเราเห็นกิเลสเห็นความทุกข์เนี่ยนะเห็นอารมณ์เนี่ยต่อไปจะไม่ใช่แค่ว่ารู้ว่ามันมีอยู่แต่ว่าก็จะเห็นนะว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนกลายเป็นว่ามันกลายเป็นครูสอนเรานะในการอยู่กับกิเลสอย่างมีสติหรือการเห็นกิเลสด้วยสติด้วยความรู้สึกตัวนี่ อันนี้นี่มันก็จะทำให้เราสามารถใช้ประโยชน์หรือหาประโยชน์จากกิเลสและอารมณ์อกุศลพวกนี้ได้ถ้าหนีมันหนีมันแต่พื้นๆจะเห็นอะไรจากมันจะเรียนรู้อะไรจากมันได้ถ้าเอาแต่สู้รบกับมันพยายามกดข่มมันเอาไว้ก็คงจะไม่มีโอกาสได้เห็นธรรมะที่มันสอนเราทำนองเดียวกันถ้าไปกดข่ม ความโกรธกดของความคิดนะนอกจากจะทําไม่สําเร็จในระยะยาวแล้วเนี่ยก็ยังเสียโอกาสนะที่จะเห็นธรรมะจากมันมันจะเกิดขึ้นก็เกิดไปนะแต่ทำอะไรใจไม่ได้เพราะว่าเราเห็นไม่เข้าไปเป็นมันเห็นไม่เข้าไปเป็นมันเห็นความโกรธไม่เป็นผู้โกรธเห็นความโลภไม่เป็นผู้โลภ นี่แล้ ว, ว่าอยู่กับมันอย่างมีสติให้ลองมาฝึกวิธีนี้ดูบ้างเราใช้วิธีกดข่มใช้วิธีหนีใช้วิธีสู้ใช้วิธีพยายามกำจัดมันมาบ่อยครั้งแล้วลองใช้วิธีที่จะเออจะมีสติรู้ทันมันเป็นการปฏิบัติเนี่ยการเจริญสติเนี่ยจริงๆแล้วถึงที่สุดมันไม่ใช่เป็น การควบคุมความคิดนะเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อควบคุมความคิดแต่ว่าปฏิบัติเพื่อไม่ให้ความคิดมาควบคุมเรายอมให้มันเกิดขึ้นจึงเปิดตาหรือว่ายอมให้มันเกิดขึ้นจึงไม่ไปไปเพ่งมันเรายอมให้มันเกิดขึ้นหลายคนไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นก็เลยไปเพ่งเอาจิตไปบังคับ บังคับจิตให้อยู่ที่มือที่เท้าที่ลมหายใจปิดตายด้วยนะเป็นการพยายามที่จะไม่ให้มีความคิดเกิดขึ้นหรือควบคุมไม่ให้มันโผล่มาแต่ว่าการปฏิบัติหลวงพ่อเทียมไม่ทาอย่างนั้นเราอนุญาตให้มันให้ความคิดมันเกิดขึ้นแต่เราจะเรียนรู้วิธีที่จะรักษาใจไม่ให้มันมาควบคุม จิตใจของเราเกิดก็เกิดไปแต่ทาอะไรใจเราไม่ได้เพราะว่ามีสติเป็นเครื่องรักษาเพราะว่าเป็นผู้เห็นไม่เข้าไปเป็นและต่อไปไอการเห็นเนี่ยจะช่วยทำให้เราไม่ใช่แค่เห็นว่ามันมีอยู่แต่ยังเห็นธรรมะที่มันสแสดงด้วยอันนี้เรียกว่าได้ประโยชน์จากมันเอาละชาตเนี่ยเพิ่งจเท่านี้เอากลับคระ